ใหญ่ใหญ่ครับพ่อเออนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เองไปบ้านตะเปียกซึ่หน่อยนะไปมาพ่อก็ไปถามที่ว่าบ่อปลาของแกเนี่ยจะวิตเมื่อไหร่จะ ไ, ได้เตรียมเวลาไปช่วยได้ถูกต้องห่อยสิเว้ยพักนี้ไม่ไปว่างซะด้วยดเดี๋ยวไปงานนู่นไปงานนี้ปลายปีเนี่ยมีงานใหญ่อรออยู่อีกแลหละฮะงานอะไรอ่ะก็งานโรงเรียนของน้องเองอสิโรงเรียนไอ้ยิ่งแหละล่ะพ่อเออพ่อพก็เห็นมีงานทุกปีนั่นแหละ ม่นมันจะสำคัญตรงไหนเลยนี่นานี่นไอเยี une, ่ยมไอเยี่ยมไอเยี่ยมเองไม่รู้เรื่องก็หุบปากไปเลยนะจวก็โดนแผ่นกับบานจนได้หรอกเองเนี่ยก็เป็นจริงนี่นาพ่อข้าสั่งให้เองเงียบอะหรือเองอยากจะโดนดีฮะลองดีกับข้าผมนี่ไม่กล้าหรอกครับพ่อไม่กล้าก็หุบปากไปซะไม่ได้ให้เองออกความคิดเห็นกินข้าวก่อไปอิ่มแล้วก็ไปบรพนลูกตาข้าข้าลำคาเองเต็มทนแล้วก็ได้พ่อไปละเอ้ยเดี๋ยวเดเองจะลุกไปไหนอะ ก็พ่ อ, อไล่ผมนี่นาเจ้ผมหน้าด้านอยู่ทนอยู่ได้ไงอ่ะไอเยี่ยมนี่เองอ๋อนี่เองยอกย้อนข้าเลยไอเยี่ยมผมเปล่านะพ่อถ้าเองคิดว่าเองปีกกล้าขาแข็งแล้วก็โ น, น่นละตูรั่วใสหัวไปได้เลยไอเยี่ยมพ่อ พอไล่ผมเหรออ้าวหรือเอ็งคิดว่าข้าเนี่ยกราบกลานให้เอ็งอยู่กับข้าหรือไงไอ้เยี่ยมคือว่าผมเอ็งนี่มันว้อนซะแล้วนายเยี่ยมนะข้านัดใจดีกับพวกเอ็งมามากแล้วนะเว้ยถ้ากล้าลุกขึ้นมาต่อกอนกับข้าแล้วก็ฮ่ทางใครทางมันก่อนแล้วกันผมขอโทษครับพ่อเอ็งก็ปากดีแบบนี้แหละอีตอนพูดนะ่ะทําไมเอ็งไม่รู้จักคิดให้รอบคอบซะก่อนหรือว่าเอ็งคิดว่าข้าเป็นเพื่อนเล่นของเอง็งฮะ นึกอยากจะเห่าตอนไหนก็เห่าออกมาอย่างนั้นเลยไอเยี่ยมปล่าแล้วพ่อเพอแค่ไม่ชอบพวกนั้นเท่านั้นเองอะพวกนั้นของเองมันมันใครอะผ ม, มพูดแล้วล่ะพ่อเองนี่ไม่แน่จริงนี่ว่าผมยอมรับผมพวกขี้ขลาดตาขาวแต่กับพ่อเท่านั้นนะผมยอมพ่อคนเดียวแต่คนอื่นพี่น้องเหรอมีทางสละผมมีวันยอมเด็ดขาดเลยเออให้เองเก่งจริงๆริงเหอะ อย่าทำตัวเป็นหมาเห่าไปตองแห้งเลยเดี๋ยวเองจะตายอย่างหมาข่างถนนสะก่อนไอ้เยี่ยมคือว่าผมเออนี่พรุ่งนี้เองไปหาตะเปี๊ยะแต่เช้าเลยนะเว้ยไอ้ใหญ่ครับพ่ อ, พร อ, เ, อเรียบร้อยถ้าเกิดตะเปียะแกจะให้ไปช่วยจับปลาเลยเดียวอะ่ะพ่อว่าไงเมื่อไหร่ก็เมื่อนานแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยไปช่วยใครไม่ได้ทั้งนั้นล่ะเพราะงานของข้ารออยู่เพียบเลยอืองั้นพี่ใหญ่ไปบอกตะเปียะคนเดียวแล้วกันอ๋อนแน่นอน ข้าใช้ให้ใหญ่ไปคนเดียวนะพวกเองสี่พี่น้องไม่ต้องเสอเอตามไปด้วยยกกันไปเป็นขยงเดี๋ยวลูกสาวชา ว, ชาวบ้านแถวนั้นจะสาบส่งเอาสาบส่งอขำจังเลยสาบส่งเอ็งไปโดนสาวบ้านไหนตบตบกะโหลกมาละวะฮะถึงได้หัวเลาะเหมือนไอ้บ้าเนี่ยฮะคื อ, ค, อคือว่าผมผม อ, อยู่ดีไม่ว่าดีหารือให้ขาดา่าหรือไงยมเอคือปล่าครับพ่อ ถ้าเปล่าเองก็กินข้าวไปซะปลาเนี่ยยัดเข้าปากไปเลยฮนะจะได้ไม่กองเฮาน่ารำคาญสิ้นดีขอโทษ <ped aling> ครับพอ่อเอออยศกับพ่อโอ้ยสะดุ้งเลย <laughs> เองอะเ อ, อะงเป็นอะไรฮะเปล่าครับพ่อครับอืพี่ยศยอดเบาๆว่าเป็นคนครับว่างไงนะไ <ped aling> อ, อ้อยศเหมือนไอ้เ อ, องไร้ร้ก เอ็งนี่มันบอดสิละไอเยน็นโอ๊ยพ่อพี่ยอดเกื้อมือจะตอกหัวผมครับอย่าทําน้องนาะยยอดนะถ้าเอ็งตั้งแกน่นแล้วก็ <c oughs> โดนดีแน่เว้ยโอ้อยพ่อไม่เห็นหรือไงว่าไอยเย็นนั่นมันตั้งใจจะหาเรื่องผมผมยังไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยนึงไอยเย็นมันก็มาหาว่าผมจะย้อนพ่อซะและ้วเหมือนแบบนี้มันนับตกหลกสุดที่ไม่ได้เหรอเอ็งนึกว่าเอ็งยังเป็นเด็กอมมืออยู่หรือไงไอยอดเอ็งน่ะโตเป็นควายแล้วนะเว้ยน้องเอ็งมันยังเด็กนัก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 เอ็งนี่ปากดีคนแล้วไหมล่ะก็นะไม่จริงครับพ่อพวกผมมันไม่แตกต่างไปจากลูกนอกสายหรอกเราจะเรียกว่าหมาหัวเน่าก็ได้เอ็งอยากเก็บตูวใช่ไหมไอยงคือผมทําไมข้าถามเอ็งว่าเอ็งอยากจะเก็บตัวนักรื่องไม่อยากครับพ่อถ้าเอ็งไม่อยากเอ็งอะเอ็งก็คงไม่ต้องพราหมงอย่างนี้อยู่ขา้าพูดถูกไหมคือคืออะไรอือคือว่าผมเอ็งนี่มันแสบไม่เบาเหมือนกันไอยงนะเดี๋ยวอ๊ะ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 ไปในดอกไม้อบอกรักไปกับสายลมบอกปลก็ไม่รู้บอกปลเธอจะรู้หรือเปล่ากัตให้การไปแค่ไหนบอกควา ม, มใจก็ไม่พอเก็บท้งฟ้าเก็บูเขาลนาวเอามาเียคว่ารักเธอเหมืนอน Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Love. Time. ฉันต้องคอยอย่างนี้เธอคงมองสึงถึงใบตรีเธอคงมองสึงถึงความหวังดีที่มีเรือยมา เธอมองไม่สถึงสตาเธอมองไม่สถึงความ b h a n ว่าฉันใจเพียงใน้ำหยดลงินทุกวันหินมันยัง่อนแต่หัวใจอนอนงเอสิ่งใดนสะททา So t e r n We've been waiting for. ใจของฉันมัไรเธอคงจะต้องไปรู้ว่าใครเฝ้างอใครกัน ม, กมีรักมีรักเพียงพอใครกันรอแล้วแล้วยังเฝ้ารอเขารอเขารอเขารอเขาโอ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 Die. ฉันเสียน้ำตาไปเท่าไรกูกจะท้อจนกลัวจะลองคบใครโทษฝ้าโทษโชคชะตาโหดร้ายมองตัวเองมีมีค่าใดที่ยังหายใจอยู่คงเพราะรอวันนี้รอคนดีพราะมันใจวาดไวแต่สุดท้ายก็บอกเธอเจอคนที่เป็น s h e w the l i f of the a r เธอคนที่เป็นหนึ่งของชีวิตที่าได้จ t o h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 เซ็งเลยว่ะข้าก็เหมือนกันเซ็งระเบิดด้ว ย, ยเซ็งมวยตะโกนหาสวรรค์วิมานอะไรของเองวะไอ้เยี่ยมฮะหาเรื่องโดนพ่อด่าแต่แท้บีเยี่ยมนี่ยมาทอข้าจะไปรู้เหรอว่าพ่อจะได้ยินอ่ะาพี่เยี่ยมตะโกนเสียงดังอย่างนั้นน่ะพ่อเมดีก็แสดงว่าหูหนวกแล้วเออครับผิดแต่ข้าเซ็งจริงจริงนี่ว่ะ เ, เซ็งก็เซ็งว่ะแลพ่ออยู่พูดไม่ได้พี่เยี่ยมก็รู้อ่ะเขามีโซนหรอก อนี่ก็โดนพ่อเล่งงานจนได้หร อ, อยพ่อก็ด่าไปงั้นเองอะ่ะพวเองไม่เห็นเืยังไงแต่ด่าเราโตมันจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยเคยโดนพ่อตีรึเปล่าเอก็ไม่เคยก็นั่นเลยดิดโดนตัแตะพ่อไม่เคยตีหรอแต่จะด่ดาไปอย่างงันเองวันวันพี่เยี่ยมจะบอกว่าไม่กลัวพ่อเพราะว่าพ่อไม่เอาจริงจิมากเฮ้ยกำลังจะพูดด้วยอ้าวเราพี่เยี่ยมกลัวพ่อหรือเปล่าอ่ะไม่กลัวแต่ว่าเกรงใจเว้ยเฮ้ยเฮ้ว ยอดจะโมเลยเยี่ยมพวกเองไปดูหนังกลางแปลงกันไหมเนี่ยไปไปใหญ่ไปไปไปไปเตรียมตัวได้แล้วเอาจะให้เตรียมตัวอะไรกับพี่ใหญ่เอาเขาไปหาชุดเก่งใส่กันชุดเก่งชุดหลอชุดเดียวกันแลยเหรอเออโอ้ก็มีชุดที่ใส่นี่แหละที่เป็นชุดเก่งที่สุดเฮ้ยชุดเองใส่มันจะไหวหรือวะโอ้ยไม่มีสายมองเองหน้าเลยแล้วค่าขอบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้ยศถ้าเองใส่ชุดน่าไปดูหนังแล้วก็ นูนเดินหหทางๆให้มันไกลๆข้าหน่อยนะเว้ยทาแกล้มมันรู้จกักมันยิ่งดีใหญ่เลยเียเลอให<ถ>ญ่ ด, ดูก็ดูสิโซโครออกอะไรกันข้นเดินเกาะกลุงกันไปแล้วก็มีสาวหน้าไหนหันมามองข้าแน่นอนอา้าวแล้วจะให้ผมทาไงเนี่ยเ้ยมเยเองเอาของให้อยศมันใส่กันแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเอาของผมเลยพี่เออข้าเห็นเองว่อยู่ตั้งหลายชุดดีว่าเอ็งจะห่วงไ้คนเดียวทไมวะ ใบร้อามาใส่มั่งก็ได้ยศอ็ออตามมาเรจะแบ่งเสื้อเองชุดนึ่งก็แล้วกันขอชุดสีเขียวนะพี่ยอมล่ะชุดเขียวไม่ได้ข้าจะใส่ไปดูหนังกลางแปลงอะ่ะอา้าวแล้วจะให้ใส่ชุดสีอะไรอะ่ะเออสีไหนก็ได้อะ่ะยกเว้นชุดเขียวชุดเดียวเท่านั้นอะ่ะชุดนั้นะ่ะชุดเก่งของข้าใครก็ห้ามแตะต้องเว้ยโธ่วัยรุ่นเซ็งไอ้ตู ดูหนังกลางแปลงทําไมทําไมตนะ้องขออนุ ญ, ญาตพ่อด้วยไอ้เยี่ยมก็โอ้ยไปตอกแล้วเราตโตโตกันแล้วเฮ้ยที่สําคัญนูเรานอนอยู่บ้านกันคนหลังกับพ่อพ่อไปนอนหลังเดียวกับเมียน้อยส่วนพวกข้าหลังเมียหลวงแล้วไปกลัวพ่อทําไมเล่าแน่ใจนะไม่ต้องขอพ่อไอ้เยี่ยมไอ้เยี่ยมนี่เอ็งถามซ้ําไปซ้ํามานี่เองปอดแหกันเปล่าวะเปล่าไม่ได้ปอดแหกสักหน่อยเธอไม่แหก ก็เงียบเงียบไว้พอเขาอาจจะเรียกใช้งานก็ได้ฮะตอนคืนนี่นะเอะ่มันก็ไม่แน่นะเฮ้ยปอแทนแล้วก็โ น, นุ่นงั้นเองอยู่ฝ้าบ้ากันแล้วกันนะน อ, อะไรเงี้ยอ่าถ้างั้นเองก็ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นมีหน้าที่คือไปเที่ยวแล้วก็จีบสาวให้เพลินอารมณ์เท่า น, นั้นคุณ <nu S 2> พอแล้วไอ้เยี่ยมเอ๋ยอ่าไอ้มไอ้ยศว่าไงพี่ใหญ่เองสองคนเสร็จไปยังวะแต่งตัวเสร็จแล้วพี่ใหญ่ เสร็จแล้วก็รีบลงมาเพล่ดีจะได้ไปกันหนังฉายแล้วเหรอพี่ใหญ่เออเดึกแล้วดีกว่าน่าจะฉายแล้วเนะอ่าไม่ละพี่ใหญ่ยังไม่ฉายหรอกเชื่อฮะเองรู้ได้ไงยงอ่ารู้เจข้านะี่ยสิงนักดูหนังกลางแปลงเชลยพี่ใหญ่เออแต่ละที่มันเหมือนกันนะวววไ้่เออชื่อฮะข้าบอกยังไม่ฉายก็ต้องไม่ฉายสิแหมพี่นี่โ อ, อ้ยข้าไม่เชื่อเองเด็ดขาดเลยยองบ้าก็ตามใจพี่ใหญ่อะมั้งเออ ข้าทำอะไรมันมั่นใจอยู่เสมอไอ้สองคนนั้นตกลยจะไปหรือเปล่าวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยแล้วพี่ใหญ่แล้วยอดะมันอยู่ไหนเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออไอ้ยอดเนี่ดูมันแท้ดีวะไอ้น้องเอ๋ยโอ้โหเือนนี้ให้สุดที่สุดเดียวแล้ววะเข้าใจบ่เข้าใจแล้วพี่ใหญ่ไปว้รุยรวยมา